ส่วนกุศลที่อิงอาศัยวิวัตะนีนะ้ก็คือเช่นคนบางคนในโลกนี้ปรารถนาอยู่ซึ่งวิวัตะจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำการบูชาพระตนะตรายด้วยสการะทั้งหลายมีเครื่องหอมและพวงดอกไม้เป็นต้นฟังธรรมและแสดงธรรมทำฌานและสมาบัตให้เกิดเขาทำอยู่อย่างนี้ย่อมได้นิปริยธรรมคืออมะตะนิพพานโดยลาดับ ก็ธรรมะดังว่ามานี้แหละเรียกว่าปริยัตยธรรมดังการเจริญกุศลธรธรมทั้งหมดที่เป็นไปเพื่อนิพานเชื่อว่าเป็นธรรมะโดยโดยอ้อมนั่นแหละโดยตรงได้แก่มรรผลและนิพานส่วนการตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมรักษาอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ที่ทําแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อนิพานนี้แสดงว่ารับ เป็นทายาทของพระองค์โดยอ้อมยังไม่ใช่ตรงๆงเลยผู้ที่เป็นตรงตรงนะสาวกของพระพุทธเจ้าตรงๆงเลยคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆต้องโสดาปฏิมักเป็นต้นไปแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแสดงว่ายังไม่ได้รับไม่เป็นธรรมทายาทโดยตรง แต่อย่างพวกเราทั้งหลายศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งตั้งความปรารถนาเพื่อวรุโลกุตระธรรมการตั้งความปรารถนาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นธรรมทธายาดโดยอ้อมไม่ใช่ตรงตรงแต่อ้อมก็ได้นี่ก็ะเจาแล้วนะคือใช่ไหมตรงยังไม่ได้เลยก็คือยังไม่ได้โลกุตระธรรมแต่อ้อมก็ไม่เป็นไรแต่อ้อมก็เพื่อตรงนั่นแหละ คำว่าอ้อมในที่นี้อย่าไปนึกถึงการเดินทางนะการเดินทางซึ่งมันต้องตีโค้งไม่ใช่อย่างนั้นหมายคำว่าผู้ใดที่มีโลกุตระธรรมอยู่ในใจใจของเขาเป็นโลกุตระจิตนะจิตกระจายเหมือนกันไหมต่างกันโดยพยัยาชนะอะไรโลกุตระธรรมมีก็คือโซดาปฏิมา ค, คจิตใช่ไหมก็เป็นจิตนะโลกุตระธรรมก็คือจิตนั่นแหละโลกุตระธรรมก็คือจิตสิก นั่นแหละแต่เป็นจิตเจตสิกที่มีพระนิพพานเป็นอารามณปัจจัยนั่นแหละนะเป็นจิตที่รู้พระนิพพานและสามารถที่จะประหารกิเลสได้คนที่เข้าถึงธรรมะระดับนี้เรียกว่าเป็นธรรมทายาทตรงๆเลยผู้ที่ได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าโอรสของพระผู้มีพระภาคเขาเรียกว่าผู้เกิดจากอกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ธรรมะเนรมิตขึ้นนั่นแหะเป็นคนที่เกิดโดยธรรม แต่ของพวกเราก็เอาโดยอ้อม น, นะเอาเรียว่าเอาธรรมะโดยอ้อม น, นั้นนับตั้งแต่การให้ทานเพื่อปรารถนาดับภพบการรักษาศีลเพื่อปรารถนาดับภพบและก็ศึกษาพระธรรมคําคสอนรวมทั้งการฟังและการสแสดงการอ่านทั้งหมดถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรู้ธรรมเราก็เป็นผู้ที่เป็นธรรมธายา ด, ด้วยนะเป็นธรรมธายา ด, ด้วยเรียกว่า ยังสมัครเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แต่ก็ยังสอบไม่ผ่านแต่ก็ยังเป็นนักเรียนยอยู่นะ <c oughs> คือพระพุทธเจ้าไม่รีทายเราหรอกถ้าเราไม่รีทายตัวเอง <c oughs> พระพุทธเจ้าหวังดีปรารถนาดีกับเราเสมอนั่นแหละอนุเคราะห์ที่สุทั้งหลายหรือสงเคราะห์สัพพะสัตทั้งหลายว่าทาอย่างไรสัตทั้งหลายจึงจะได้บรรลุโลกุตระธรรม ถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีพระมหาการุณาที่คุณเนี่ยไม่คิดจะสงเคราะห์จะเอาเฉพาะตัวรอดอย่างเดียวนั้นเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยท่านนิพพานแล้วละอรหั ต, ตผลของท่านอยู่แค่เอื้อมคือถ้าหากว่าท่านมีใจบอกว่าเอ๊ะบรรลุชาตินี้แหละท่านฟังคาถาแค่ส ม, มุนนะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปชัชชะวานิโรชันติเตสังบูปะสโมโสุโข ท่านฟังแค่นี้ท่านเป็นพระอารหรอันตุคติตันยูบุคคลเพราะขณะนั้นท่านได้อภินยาห้าและสมาบัติแปดแล้วขณะตรงนั้นนี่นะแล้วอุปนิสัยอรหัตตมักบารมีเนี่ยเต็มเปี่ยมแล้วมีเหตุที่จะต่างให้เป็นพระอารหันต์แล้วขณะนั้นแต่ก็เขาบอกว่าบุรุษเช่นเรานะนะประโยชน์อะไรด้วยการข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวเราข้ามดูแล้วจะยังเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามด้วย นั่นแหละท่านก็เลยละอรหัตตมรรคที่อยู่แค่เอื้อมนั้นออกไปแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตก็เลยเรียกว่าพุธทธังกูลอังกุระอังกุระแปลว่าหน่อพุธทธังกูลก็คือเนือหน่อของพระพุทธเจ้าผู้สืบสันดานแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่านานหน่อยก็ต้องบําเพ็ญบารมีไปอั้นผู้ที่บําเพ็ญบารมีนั้นจะต้อง บารมีสิบมหาบริจาคห้าและเวลาต้องนะได้รับวันได้รับพุทธธรรนายนั้นสี่อสงไขแสนกลับในระหว่างนี้จะบรรลุ ก, ก่อนไม่ได้บรรลุ ก, ก่อนไม่ได้เหมือนกับท่านอุปมาเหมือนกับว่าจะบรรลุ ก, ก่อนหน้านั้นไม่ต้องรอให้มันถึงสี่อาศงไขแสนกลับได้ไหมบอกว่าถึงจะให้ทานมากมายเหมือนพระเวสสันดรขนาดไหนจะให้บรรลุเลยก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกับเราเอา ต้นข้าวเอ า, มาเมล็ดพันข้าวมาหวานลงไหมรดน้ําวันละแสนครั้งเนี่ยจะให้ข้าวมันออกรวงง่ายๆเนี่ยทาได้ไหมอออกรวงจนถึงกับสุกเกี่ยวเก็บเกี่ยวเลยได้ไหมต้องตามเวลาตามกําหนดของเขานั่นแหละชั้นใดผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมนั้นท่านจะได้ตรงนั้นและท่านก็นไม่เอาแล้วก็รอมาจนถึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะ สงเคราะห์ให้ศาสัตว์ทั้งหลายนั้นเข้าถึงโลกุตระธรรมทีนี้พอพอรู้ทางหรื อ, อยังพอรู้ทางที่จะเป็นทายาทของพระผู้มีพระภาคหรื อ, อยังอันนว่าเราจะเป็นธรรมทายาทตรงๆได้อย่างไรอันนั้คือตรงนี้เนี่ยคนที่ได้ธรรมทายาทโดยอ้อมแสดงว่าคนนั้นรู้ธรรมทายาทโดยโดยตรงแล้วเขามีความเข้าใจในเรื่องของมัตตผลและนิพพานพอสมควร นั่นแหละต้องเข้าใจมรรคผลนิพพานพอสมควรเช่นเข้าใจเรื่องอริยมรรคพอสมควรว่าอาริยมรรคจะเจริญบริบูรณ์ได้อย่างไรใช่ไหมอริยมรรคเจริญบริบูรณ์ได้อย่างไรอะไรเป็นบุปภาภาแห่งอริยมรรค อ, อีกสูตรหนึ่งก็บอกดูก่อนพี่สูตทั้งหลายนะถ้าหากว่าบุพนิมิตรเรียกว่า ของดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นก็คือแสงเงินแสงทองชั้นใดโยนิโสมนัสิการนี้ก็เป็นบุพภณิมิตแห่งอริยมรรคอย่างนั้นนั่นแหละมันจะต้องมีโยนิโสนะฟันธรรมะประเภทสติปัฏฐานนั่นแหละคือโยนิโอะเพื่อที่จะให้เกิดอริยมรรคหรืออีกอย่างหนึ่งนะอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์ ศีลและสัมมาธิฏฐินั่นแหละเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นี่แหละคือเป็นปฏิปทาเพื่อเพื่อเข้าถึงโลกุตระมัคถ้าโลกุตระมัคเนี่ยเป็นธรรมะที่หลีกออกโลกุตระมัคหลีกออกจากอะไรอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหลีกออกจากสัพพานิมิตนะหลีกออกจากรูปนิมิตเสียงนิมิตกลิ่นนิมิตรสนิมิโตโภตาภานิมิต เว้นออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิมิตเหล่านี้เว้นจากนิมิตเหล่านี้เนี่ยนิมิต ท, ที่หนึ่งนะครับเว้นจากสัพทินิมิตแปลว่ามีนิพานเป็นอารมณ์นะมันมรรคจิตมีนิพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมเรียกว่าหลีกจากนิมิตและขันห้ า, ก, า ก, ก็คือหลีกจากอารมณ์ที่เป็นโลกิยะไปมีอารมณ์นิพานเป็นอารมณ์นั่นเอง ก็คือมัคคิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นะก็หลีกออกจากนิมิตคือขันห้าหลีกออกจากนิมิตจากปวัตตะจากสังขารจากอายุหณะจากคติจากปฏิสนธินะหลีกออกจากพวกนี้ก็มัคคิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เสร็จแล้วแล้วท่านก็ออกจากขันด้วยนะโสดาปฏิมักนะออกจากอะไรบ้างโสดาปฏิมักออกจากอะปุสสจิตที่เป็นทิฏฐิกตะสัมปยุทธทั้งหมด โลภะโทสะที่เหลือที่เป็นอบายะคามมนีพระโสดาบันละได้หมดและพระโสดาบันนั้นละวิจิกิจชาได้โดยเด็ดขาดนี่เรียกหลีกออกจากบาปอากุศลเหล่านี้ได้เด็ดขาดและออกจากภพที่แปดปฏิสนธิในภพที่แปดในมนุษย์เนี่ยท่านก็ออกแล้วอันพระโสดาบันนั้นโสดาปฏิมาศเนี่ยเป็นลักษณะนี้อันเราต้องศึกษาเข้าใจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปบรรลุมรรคผลอาจจะไม่ใช่ทายาทของพระพุทธเจ้าก็ได้เหมือนกัน ไปได้บางอย่างมาบอกโอ้ได้แล้วได้รรมทายายาแล้วของใครก็ไม่รู้ของหลวงพ่อเออเมื่อกี้นี้ครับหลีจากนิมิตน่สงสนใจผมสนใจหมายก็ว่าถ้าพระโสดพระโสดาบันเนะี่ยหลีจากสักกายิทีิถีใช่ไหมครับหรืยังไงครับ อ, อ๋อหลีจากนิมิตในที่นี้ก็คือหมายถึงโซดาปฏิมักนะทินทอโซดาปฏิมักถามว่านิมิตคืออะไรนิมิตคือขันห้า อถ้าหากว่านึกถึงลำดับของวิปัสสนานั้นอ่ะอนุโลมายานรู้อะไรรู้ไตรลักษ์ใช่ไหมพวกอนุโลมายานสังขารูปเปขายานนั้นก็พิจายันที่พิจารณาไตรลักษ์เสร็จแล้วยานที่หลีกออกจากไตรลักษ์อ่ะคือไตรลักษ์นั้นเป็นลักษณะของรูปนามขันห้าจิตที่หลีกออกจากนั้นเนี่ยมันเราเดาไม่ถูกหรอกมันเป็นยังไง เพราะรูปนามขันห้าให้มันชัดเจ๋งๆก่อนแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นถ้าขันห้าไม่ชัดไม่เจ๋งเลยนะหมายจะหลีกจากขันห้านี่โดยที่ยังไม่รู้จักขันห้านี่มันลําบากเหมือนกันตรงนี้ต้องติดไว้ก่อนแล้วเราว่าจะไปทําความเข้าใจใหม่คือจากนิมิตนิมิตคือขันห้าเนี่ยนะมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะที่ก่อนนี้ไม่เกี่ยวกับขันห้าไปดูในอาร์ทีนวิญญาณ ในวิโมกก็มีต่อไปนะธรรมะมีสองอย่างโดยตรงกับโดยอมอมิตรก็มีสองอย่างโดยตรงกับโดยออมบอกปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นก็ทํานองนั้นชื่อว่าอามิตรโดยตรงรับอมิตรโดยตรงของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือรับปัจจัยสี่จากพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งใดที่พระองค์อนุ ญ, ญาตเอาไว้นั่นแหละเรียกว่าอมิตรของพระผู้มีพระภาคเจ้า นี้เป็นอมิตรโดยตรงส่วนอมิตรโดยอ้อมเป็นยังไงกุศลที่นำไปสู่วัตตะทั้งสามที่บุคคลเช่นบางคนในโลกนี้ปรารถนาวัตตะมุ่งหมายพบที่มีสมบัติพร้อมมูลจึงให้ทานจนถึงรักษาศีล ร, รักษาอุโบสถเจริญฌานอภิญญาพวกเนี้นะทำให้บังเกิดเขาทำอยู่อย่างนี้ได้เสวยเทวสมบัติมนุษสมบัติโดยลาดับ อย่างนี้ชื่อว่ารับอ ม, มิตรของพระผู้มีพระภาคโดยอ้อมนั่นแหละพระองค์บอกว่าหูให้ทานอย่างนี้นะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเราก็ไปให้ทานอย่างที่พระองค์ว่านั่นแหละแต่ปรารถนาพบนะปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์ปรารถนาเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่เอาอ ม, มิตรของพระผู้มีพระภาคโดยอ้อมพระองค์นั้นประสงค์ให้เราทั้งหลายนั้นเข้าถึงธรรมธายาถึงจะศึกษาพระธรรมก็ ตั้งเป้าหมายเพื่อเพื่อทำมัธยายาตนั้ น, นอัตตะสัมมาปณิที่ตรงนี้เนี่ยให้ดีนะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมแล้วตั้งจิตไว้เพื่อโลกิยธรรมตั้งจิตไว้เพื่อพบใดพบหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าตั้งจิตไว้ผิดนะเรียกว่าไม่มีอัตตะสัมมาปณิทีการรับอมิตโดยตรงก็ก็หมายความว่า อมิตก็หมายความว่ารูปรสกลิ่เสียงเนี่ยจากพระผู้พิภาทโดยตรงนี่คงคงจะไม่ใช่หมายความว่าโดยตรงจากรับจากพระหัตถ์จากพ ร, พระองค์โดยตรงนะหมายความว่าอย่างท่านกําลังอยู่ขนาดเนี้ยก็คือท่านได้จีวรมาท่านได้จีวรมาเนี่ยถ้าก็ว่าท่านได้รับอามิตรโดยตรงใช่ไหมครับเจริพรเรียกว่าได้ปัจจัยสี่ที่ที่เกิดขึ้นอ่ะนะปัจจัยสี่ที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเอาไว้ให้พิสูจทั้งหลาย และพิสู่ทั้งหลายมายินดีอยู่ในปัจจัยสี่แค่นั้นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่ารับอมิทายาญาตโดยตรงเสริมพระองค์ตรัสต่อไปว่าแต่ถ้าทั้งอ้อมหมายว่าถ้าเกิดท่านบว้งจิตไว้ว่าบวชคราวนี้เพื่อจะได้ไปเกิดเป็นเทวดานี่ใช่ไหมเจรพานไปรับอมิตรบนนู้นใช่ไหมครับอ่าบวชเสร็จแล้วนะเราจะเอาศีลเอาพรหมจรรย์ที่เราประพฤติปฏิบัติที่รักษาเนี่นะเราจะได้ไปเกิดเป็นเท พ, พบุตรลอยๆอย่างเงี้ยตั้งความหมายไว้อย่างนี้แหละเรียกว่า เป็นอามิตโดยอ้อมอามิโดยอ้อมเข้าใจแล้วครับดูการพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตชันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอิ่มแล้วเพียงพอแก่ความต้องการแล้วแต่บบนทบาทของเราตถาคตยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาเวลานั้นภิกษุนสองรูป ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำแล้วหิวโหยมากพากันมาเราเพึงกล่าวกับเธอทั้งหลายลั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพิ่สุทั้งหลายเราตถาคตฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอิ่มแล้วเพียงพอแก่ความต้องการแล้วแต่บินทบาทนี้ของเราตถาคตยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาถ้าเธอทั้งหลาย ประสงค์จะฉันก็จงฉันเธดถ้าเธอทั้งหลายไม่ประสงค์จะฉันก็อย่าฉันเราจะทิ้งเสียในที่ที่ปราศจากของเขียวสดหรือจะเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตวนะ์นบัตนินี้นะฉันไหม้าไมฉันจะเอาไปเททิ้งนะเขาบอกว่าเททิ้งในที่ปราศจากของสดเขียวหมายว่าถ้าพระนั้นนะ่ะต้องการเอาอะไรไปกลบในที่ที่เขียวโดยคิดว่าจะให้ต้นหญ้าตายเป็นต้นตั้งใจไว้อย่างนี้เป็นอบัต นะหรือว่าเอาเศษอาหารไปทิ้งเรารู้ว่าถ้าทิ้งเศษอาหารลงในน้ํานี้แล้วเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในน้ําต้องตายเสร็จแล้วก็ยังขืนทิ้งลงไปอันนี้ก็เป็นอปัตดด้วยเหมือนกันท่านพระองค์ก็เลยกล่าวกันไว้เพื่อที่จะไปเทเศษอาหารจะได้ไม่มีโทษพระองค์ตรัสต่อไปว่าบรรดาพิสูจนสองรูปรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสร็เสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วทรงอิ่มแล้วพอแก่ความประสงค์แล้ว ก็บินทบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาถ้าเราทั้งหลายจักไม่ฉันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จักส่งทิ้งในที่ที่ปราศจากของเขียวสดหรือจกักทรงเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตวนะ์ณบัตรนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมะทายาทของเราตถาคตเธอ อย่าเป็นอมิธายาตเลยก็บินทบาทนี้เป็นอมิธายาตอย่างหนึ่งอย่ากันนั้นเลยเราจะไม่ฉันบินทบาทนี้จะปล่อยวันคืนนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ทั้งที่ยังมีความหิวและความอ่อนเพลียอยู่นั่นแหละนส่วนที่สุรูปที่สองก็มีความคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสร็จเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วทรงอิ่มแล้วพอประสงค์แล้วก็บิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาถ้าเราทั้งหลายไม่ฉันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดหรือจักทรงเทเสียในน้ําที่ไม่มีตัวสัตว์ณนะบัดนี้อย่า ก, กันนั้นเลยเราควรฉันบิณฑบาตนี้บรรเทาความหิวและความอ่อนเพลีย แล้วปล่อยวันคืนนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้เธอจึงฉันบินทบาทนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วปล่อยวันคืนนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้โดยการพิสูนทั้งหลายภิกษุน์นั้นแม้จะฉันบินทบาทนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วปล่อยวันคืนนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นภิกษุนรูปแรกนู <me> ้นแหละของเราตถาคตเป็น <veio> ผู <fosse Monster> ้ควรบูชา ควรสลรเสริญมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายปรารบความเพียรแก่พิสูจนนั้นสิ้นกาลนานนั่นแหละคือองค์ที่ไม่ฉันนั่นแหละดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าการไม่รับอามิตรของพระผู้มีพระภาคนั้นก็บ่งถึงความเป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวใช่หม เพราะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคนที่มักน้อยต่อไปถ้าวันหลังไปมักมากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเดี๋ยวเพื่อนสามเณรเขาจะเตือนเออท่านวันก่อนนะท่านหิวพระผู้มีพระภาคทรงให้อมิตท่านยังไม่รับเลยพอวันนี้ท่านมาคลายความเพียรแล้วเหรอเขาก็จะเตือนมาก็จะได้สติก็จะมีความเพียรใช่ไหมจะเป็นคนมักน้อยวันหลังมามักมากวันหลังมาไม่สันโดษแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคนเตือนได้ใช่ไหม เเวลาจะมาไปเป็นอย่างนั้นก็เตือนเตือ น, นหน่อยนนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ห้ามห้ามอาหารของพระผู้มีพระภาคก็จะทำให้มักน้อยสันโดษขัดเกลวเลี้ยงง่ายปรารรความเพียรแกที่สูงนั้นผู้ที่ทำอย่างนี้บ่อยๆจะได้รับอ น, นิสงค์คือจะทำให้กระถาวัตถุสิบบริบูตรนะถ้าเป็นคนมักน้อยสันโดษขัดเกลวเลี้ยงง่ายปรารกความเพียรอย่างนี้นหละ เขเรียกว่าเป็นผู้ที่ทํากระถา10ก็คือ1กระถาว่าด้วยการมักน้อยนะสองสันโดษ3ขัดสันโดษก็ขัดเกลาแล้วก็ทําให้วิเวกกระถากรถาเพื่อการวิเวกนะกายวิเวกเป็นต้นแล้วต่อไปอีก ไปกี่ข้อแล้วมักน้อยสันโดษขัดเกลานั่นแหละมีความเพียรอะไรีไนสีลกถ า, าสมาธิกถ า, าปัญญากถ า, าวิมุติกระถ า, าแล้วก็วิมุติญาณทัศนกถาครบสิบไหมทีนี้ถ้าหากว่ากระถาวัตถุสิบบริบูรณ จะทำให้สิกขาสามบริบูรณ์จะทำให้อธิสีและสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาบริบูรณ์เมื่อสิกขาสามบริบูรณ์อเสกขธรรมสี่ก็จะบริบูรณ์อเสกขธรรมสีก็คืออันนะอธิสีและสิกขาที่เป็นอรหันต์นะ เป็นที่เป็นอเศธขธรรมกองแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่เป็นของพระอเศธขธรรมแล้วก็วิมุติที่เป็นอเศธขะแล้วก็ถ้าหากว่าอาเศธขธรรมสี่บริบูรณ์ก็จะยังอมะตะนิพานให้บริบูรณ์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาธของเราตถาคตอย่าเป็นอมิทายาธเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายว่าทําอย่างไรหนอ สาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพระสุคตเจ้าครั้นตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าสู่พระวิหารเสร็จแล้วครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหลีบไปไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับคําท่านพระสารีบุตรเทระว่าขอรับดังนี้ ท่านพระสารีบุตรเทระได้กล่าวคํานี้ว่าดูก่อนพิสุดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหรเนาะแหละนะทําไมพระพุทธเจ้ากายสงัดจิตสงัดอุปเทสงัดแล้วสาวกไม่สงัดตามอะด้วยเหตุเท่าไหร่ ก็แลเมื่อภาษาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่น้อแลพิสูจน์เหล่านั้นเรียนว่าอาวุโสแม้ผมทั้งหลายก็มาแต่ที่ไกลเพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาษิท์ข้อนี้ในสำนักท่านภาษารรบุตรเถระขอโอกาสเถิดครับเนื้อความแห่งพาสิตธนี้คงแจ่มแจ้งเฉพาะท่านภาษารรบุตรเถระองเดียว พิสูจทั้งหลายได้สดับต่อท่านภาษาริบุตรเทระแล้วจัดทรงจําไว้ท่านภาษาริบุตรเทระจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีผมจากกล่าวพิสูจเห ล, interior, ล่านั้นก็ตอบรับคําพระท่านภาษาริบุตรเทระว่าอย่างนั้นครับท่านภาษาริบุตรได้กล่าวคํานี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภาษาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้ว นะวิเวกนะนะกายวิเวกเป็นต้นแล้วเนี่ยสาวกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่หนอดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ไม่ศึกษาความสงัดตามคือไม่ละธรรมะทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสให้ละนะพระพุทธเจ้าสอนให้ละอะไรก็ไม่ละ เป็นผู้มักมากด้วยปัจจัยสี่นะด้วยปัจจัยยานราบและเป็นผู้ย่อหย่อนนะเรียกว่าย่อหย่อนในการเจริญกุศลธรรมตกอยู่ในอำนาจนิวรห้าทอดทุระในความสงัดนี่แหละเหตุที่ทำให้พระศาสดาสงัดแต่สาวกทั้งหลายไม่สงัดตามเพราะอีก ค, ครั้งหนึ่งนะพระองค์สอนให้ละอะไรก็ไม่ละเสียงนั้น และก็มักๆในปัจจัยสี่ย่อหย่อนในกุศลธรรมปล่อยจิตใจให้ตกไปในนิวรณ์ห้า